ความฟุ่มเฟือยนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงแค่เงินทองนะแม้ทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่อารมณ์ของจิตใจเนี่ยบางคนเนี่ยใช้เปลืองใชอ้อารมณ์สิ้นเปลืองมากเพราะบางทีบางเรื่องบางอย่างโอยไม่เห็นจะต้องไปปรุงไม่เห็นจะต้องไปคิดไม่เห็นจะต้องไปอะไรอิจฉาริษยาไม่เห็นจะต้องไป อะไรโกรธเคืองไม่เห็นจะต้องไปมีอัตามาณนะอะไรกันมากมายนักเลยไม่ต้องไปใช้อารมณ์ให้มันสิ้นเปลืองไปนักนะรู้จักประหยัดอารมณ์บ้างะนะประหยัดมนลงมาทาให้มันน้อยลงมาเอาใครทำได้ก็สบายขึ้นจริงๆอันนี้เป็นข้อที่ 15. สิบห้าส่วนข้อที่สิบหกย่อมกระทาความสนิทสนมกับชายอื่นที่คุ้นเคยกัน เรานี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสรายสามีอันนี้ก็พูดง่ายว่าไปสนิทสนมกับคนอื่นนะชายอื่นไม่ใช่สนิทสนมธรรมดานะทำความคุ้นเคยแสดงคำว่าคุ้นเคยหมายถึงว่าไปมาหาสู่บ่อยๆนะทำเป็นสนิทชิดเชื้อด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอย่างเงี้ยจะมาบอกได้เลยสามีภรรยาเนี่ยนะ เรื่องของความระแวงแขงใจเรื่องของเนี่ยผู้ชายจะไม่มีชู้ไหมผู้หญิงจะไม่มีชู้ไหมโหรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยานะไปทําเป็นสนิทกับคนอื่นแล้วมีปัญหาทั้งสิน้นมันจะสร้างความหวาดระแวงสร้างความไม่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจสร้างความที่จะเริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีต่อกนันยิงมากขึ้นเรื่อยๆไวลักษณะอย่างเนี้ยคืออิทธิภาวะ มันต้องรู้ตัวให้ได้ว่าอย่าไปทำนะถ้าใครรู้ได้เนี่ยก็จะระวังตัวไม่ให้เป็นอย่างนี้เอาข้อที่สิบเจย่ำออกนอกบ้านเสมอประพฤติผิดจากความดนะีย่ำออกนอกบ้านเสมออาจจะไปเที่ยวเตะอาจจะอะไรอ่ะไปดูหนังฟังเพลงไปช็อปปิ้งไปอะไรอีกออกนอกบ้านเนี่ย นะ huh? ไปคุยบ้านอื่นอันนี้เขามีคําที่ตามมาด้วยว่าประพฤติผิดจากความดีก็หมายถึงว่าออกข้างนอกเนี่ยถ้าไปทําดีก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมไอ้ น, นี่ส่วนใหญ่เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมักจะไปทําไม่ดีอาจจะไปทําเสียเสียให้หายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคือมักจะไปทําเรื่องเสียเสียให้หายเออถ้าออกไปทําอะไรที่มันดีงามที่มาอะไรก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักออกไปแล้วมันชักจะไม่ค่อยดีซะเป็นส่วนใหญ่นะสิมีจิตคิดปรทุสลายในสามีอยู่เป็นนิดเป็นผู้ประพฤตินอกใจไม่เคารพในสามีนะนี่คือข้อที่18คราวนี้ก็คือเป็นชู้เลยเนะว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไปนอกใจผู้ชายก็เยอะผู้ชายไปนอกใจผู้หญิงก็เยอะ จริงๆเอ้อเยอะกว่าอีกผู้ชายาไปนอกใจผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงนอกใจผู้ชายเพราะฉะนั้นลักษณะของการเป็นชู้นี่คืออิทธิภาวะเพราะฉะนั้นถึงเคยจะยินไหมที่บอกว่าใครไปกระทําผิดศีลข้อสามจะไปเกิดเป็นก็เธยก็ด้วยเออไปเกิดเป็นผู้หญิงก็ด้วย <c oughs> เคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหม <c oughs> เคยไหมไหนๆใครเคยได้ยินไหมอันเนี้ยเออหลายคนเคยได้ยินเห็นไหม เนี่ยเ น, น, นอัตมาถึงกําลังบอกว่าลักษณะของการไปนอกใจลักษณะของการไปเป็นชู้นี่คืออิทธิภาวะเพราะใครสั่งสมลักษณะสภาวะจิตอย่างนี้ไว้โอกาสจะเป็นกระเทยกับเป็นผู้หญิงมีมากคุณจําไว้เลยนะเนี่ยโอกาสจะเป็นกระเทยกับเป็นผู้หญิงเนี่ยมีมากเพราะยังไงเนี่ยแต่งงานแต่งการไปแล้วนะคุณจะไม่ชอบใจกันคุณจะยังไงกักนก็ตามยังไงก็พยานแบบไม่มีชู้ อย่าไปประพฤตินอกใจสามีก็ตามนอกใจภรรยาก็ตามอย่าไปประพฤติเพราะอันนี้คือลักษณะของอิทธิภาวะคือคือสภาพจิตที่อ่อนแอสภาวะจิตที่มันเรียกร้องสภาวะจิตที่มันอะไรอ่ะใครอยากในกามาตัญหาอะไรต่างๆพวกนี้อ๋อถ้าลักษณะที่เราถือว่าถ้าแต่งงานแล้วเสร็จแล้วก็อย่าล้างกันไปคือเลิกกันไป ถ้าเลิกกันไปแล้วก็ถือว่าจบกันไปอันนี้โดยโดยกฎหมายก็ถือว่าจบกันไปอันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเขาผิดอะไรละนะอันนี้เรายกไวล้ละเพราะว่าถ้าต่างคนต่างเขาก็เลิกกันไปแล้วเขาไปแต่งงานใหม่ต่างคนต่างไปแต่งใหม่ก็ก็แล้วแต่เขาอันนี้กําหนดกันที่ตรงนี้แต่ถ้าคุณจะปฏิบัติให้เคร่งพูดง่ายคราที้พูดในลักษณะเคร่งะนะ พูดในลักษณะที่คุณไม่อยากให้จะไปมีอารมณ์ไปมีสภาวะจิตไอ้พวกนี้นะักแม้จะเลิกกันไปเนี่ยแต่แต่สมมุติว่าชาตินี้อ่ะชาตินี้เอาคุณมีคู่แล้วแหละแต่คู่นี้มันไม่สมใจอ่ะมันไม่สมหวังกันนะเพราะนั้นะนะมันก็เลยเลิกกันไปถ้าคุณใจเด็ดเด็ดคุณใจแข็งแข็งว่เลิกกันแล้วก็ชาตินี้ก็คู่เดียวคนเดียวก็พอแล้วนะแล้วคุณจบลงได้นี่ยนะโอ้คุณยังจะมี ผู้ลิสภาวะได้มากแต่ถ้าคุณคิดดูสิต่อให้ไม่ผิดกฎหมายสังคมยอมรับว่าเลิกกันแล้วอย่า ก, กันแล้วแล้วก็ไปมีคู่ใหม่พอมีคู่ใหม่เสร็จเดี๋ยวคุณไม่พอใจอีกคุณก็เลิกอีกใช่ไหมแล้วก็ไปมีใหม่กันอีกต่างคนต่างมีใหม่กันอีกสังคมฝรั่งทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ยจานวนมากเลยไทยเมืองไทยก็เชืจะบ้าตามไปก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคุณดูสิ ว่าอย่างนี้มันยังจะมีอิทธิภาวะไหมล่ะมันก็ยังจะมีอยู่มากเลยใช่ไ้ยแต่ถ้าเราใจเด็ดได้ถึงบอกเราใจเด็ดได้เราใจแข็งได้ถ้าเราหวังว่านะเป็นการสะสมบุญบารมีของเราต่อๆไปเนี่ยพยายามเลยทำให้มันได้นะถือว่าเอาละชาตินี้ชาติเดียวที่เรียกว่ามีคู่แล้วก็คนนั้นกับคนนั้นไปเลยจบจะสมหวังจะผิดหวังไงก็จบ ถ้าคุณจบได้แสดงว่าคุณเริ่มตัดใจในเรื่องของกามเรื่องของตัณหาราคะอะไรพวกนี้ลงได้ใช่ไหมถึงแม้จะมีใจอยากอยู่แต่ก็โขกัดฟันสู้ทนที่จะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่อืมเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงได้อนุโลมให้หรือหย่อนให้ว่าศีลห้ามีได้เพราะยังเป็นได้ใช่ไหมเป็นได้ถึงโสดาบันก็ยังเป็นได้แต่ บอกแล้วถ้าเราอยากจะสูงขึ้นสูงขึ้นพอศีลแปดขึ้นมาไปไงต้องตัดละต้องเลิกแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องมีคู่ครองถ้าอยากจะพัฒนาความเป็นปุริสภาวะให้สูงขึ้นนั้นต้องเลิกรันเนี้ยโดยโด ย, โดยพื้นฐานใช่ไหละ่ะถึงบอกว่าศีลห้าพรเจ้าถึงออาอนุโลมไปอนุโลมไปมันเบื้องต้นถึงบอกว่าไม่ได้ถือว่าไปผิดอะไรอ่ะอแม้จะแต่งงานแต่งการก็เอา แต่มีผัวเดียวนะมีเมียเดียวนะอันเนี้ยยังไม่ได้ถือว่าผิดแต่ถ้าไปมีชู้เราถือว่าเริ่มเ ร, เ, รเราเริ่มถือว่าผิดเพราะฉะนั้นคุณดูสิถ้าถ้าอยู่ในาศาสนาพุทธแต่งงานาแบบว่าถือว่ามีผัวเดียวหรือว่ามีเมียเดียวอะ่ะคุณดูนะถ้าถ้าโดยโดยธรรมะเนี่ยโดยความเข้มข้นเลยความความเข้มข้นของหลักธรรมเน ก็ถ้ามีแค่ผัวเดียวหรือว่าเมียเดียวแล้วแล้วคุณจบแล้วอะ่ะสมว่าอยู่กันไม่ได้ ค, กกคุณเลิกกันเนี่ยคุณเลิกกันเนี่ยจริงๆเท่ากับจริงๆถ้าถ้าว่าไปน่าจะถือว่าเคาะดีนะไอ้โชคดีนะใช่ไหมจากศิ 5, นห้านี่มันกลายเป็นศินแปดได้อีกแล้วนะถ้าคุณเลิกกันไปอะ่ะแล้วถ้าคุณคุณยังไม่ไปมีชู้อะไรนะคุณยังไม่ไปมีใหม่อะไรที่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถขึ้นไปอยู่ศินแปดได้ แต่ถ้าเขานี้อ่าเกิดเลิกกันไปบอกแล้วอาไม่ยุ่งกับคนนี้แล้วพอเลิกคนนี้แต่เรายังไปยุ่งกับคนใหม่เอาละคุณก็กลับมาอยู่ในฐานของศีลห้าใหม่ก็ได้เอายังยอมรับได้อยู่คือไม่ไม่ถือว่าไปมีชู้แต่มันแสดงให้เห็นว่าเราก็ยังมีอารมณ์กลาง ม, มีอารมณ์พวกนี้ยเรายังหนีไม่พ้นอยู่เลยเรายังมีมากอยู่ถูกไหมคือมันยังต้องการไอ้เรื่องพวกนี้อยู่ หรือว่าจะต้องการมีครอบครัวต้องการมีลูกเต้าสืบทอดต่อไปเมื่อลักษณะอย่างเงี้ยการอยแบบนี้ยังมีอยู่โอกาสจะมีชู้เดี๋ยวมีมาอีกถูกไหมโอกาสมันยังยังจะหลวมตัวไดนะ้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะปิดโอกาสได้มีเพียงอย่างเดียวถึงบอกว่าต้องใจแข็งใจเด็ดถ้ามีคู่ครองแล้วเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยพอจบถือว่าชาตินี้เอาละบําเพ็ญบารมี จบเลยแล้วไปสังเกตดูสิจะเป็นชาดกจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวพยายามแม้อดีชาติของผู้เจ้าเองเนี่ยท่านก็ต้องพยาพยามท่างก็ต้องพยายามพยายามพยาท่านก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆตลอดจะไม่พยายามที่จะไปชาติไหนแล้วไปมีหลายๆคนอะไรเงี้ยไม่มีว่ามาถึงยืนยันไงว่าผู้เจ้าเนี่ยท่านถึงบอกว่าศีลห้าเนี่ย แค่ศีลห้านี่ท่าหนึ่งตรูมลงมาเลยว่าผัวคนเดียวนะหรือว่าเมียคนเดียวนะท่านเอาจบที่ตรงนี้เลยถ้าตรงนี้เราเข้าใจชัดได้เราก็จะเออาวันเจตนามันอยู่ที่จะลดพวกกรารพวกราคะพวกอะไรพวกนี้ลงฮวันใครลดกามลดราคะพวกนี้ลงได้คนนั้นกาลังมีปุริสภาวะเพิ่มขึ้นฮวันเรื่องของกามเรื่องของกิเลสอาจารยึงบอกว่า ไอ้สภาวะที่เป็นราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้มันเป็นลักษณะของอิทธิภาวะถ้าเราเข้าใจงี้ได้เราก็จะได้เออลดๆเลิกๆ ล, ล, ล, ลงมาอันนี้เป็นข้อที่18ข้อที่19นางย่อมยืนอยู่ที่ใกล้ประตูอยู่เนืองเนืองแสดงอกบ้างแสดงรักแร้บ้างมีจิตวอกแวกเพ่งดูทิศ ต, ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสร้ายสามีนะอันนี้เราเคยพูดพดกันไปบ้างแล้วนะเนี่ยชอบมายืนใกล้ๆประตูบ้างเนี้ยให้คนอื่นเห็นนะี่ยอ่ปกติต้องอยู่ในบ้านไงอันนี้มายืนอยู่แถวประตูให้คนอื่นก็ได้พบเห็นแล้วก็เนี่แหลนะทเป็นยั่วยวนทาเป็นอวดโชว์อย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็ดูสอดสายดู อะไรอ่ะมุมนั่นบูทางนี้มีใครมาไม่มีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้เ น, นี่ยเนเนี่ยให้เห็นลักษณะยี้ก็คือมันมีจิตที่เป็นลาคะและจิตที่เป็นกามเพราะฉะนั้นนะมันก็จะมีอาการอย่างเนี้ยตามมาเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ถ้าภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับมาอ่อยเหยื่ อ, อมาหาเหยื่อมาล่าเหยื่อ ก็แล้วแต่ว่าผู้ชายหน้าโง่คนไหนที่จะมาเป็นเหยื่อก็ทำนั้นเองอ่าข้อที่ยี่สิบแม่น้านทั้งปวงมีทางไปอันคดเคี้ยวและป่ารถเรียวด้วยต้นไม้ฉันใดหญิงทั้งปวงเมื่อได้ที่รับก็ย่อมกระทำกรรมอลามตได้ฉันนั้นถ้าว่าได้โอกาสได้ที่รับ หรือได้ช่องเช่นนั้นแล้วหญิงทั้งปวงจะไม่ทำลามกเป็นไม่มีนะอันนี้แะข้อที่ยี่สิบคือพูดง่ายๆว่าอย่าให้มีโอกาสนะคือผู้หญิงเนี่ยถ้ามีโอกาสอาบอกกนะัน่าฟังไว้นะคำว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีโอกาสหมายถึงอิทธิภาวะเนี่ยถ้ามันมีโอกาสแล้วเราก็แหมโอกาสให้พูด ง, ง่าย นะมันเอื้อเลยนะอยู่สองต่อสองอย่างนี้โอ้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นที่ลับแล้วต่อให้คุณอยู่กลางทุ่งก็เหอะคุณอยู่กลางทุ่งนาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยนะบริเวณนั้นไม่มีใครเดินบ่ายไม่มีใครอะไรเลยอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นที่ลับแล้วเพราะอะไรลับหูใช่ไหมแล้วก็ลับตาคนเพราะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินมันก็เป็นที่ลับ วันแม้อย่างนี้นะโอกาสบอกแล้วโอกาสที่อิทธิภาวะเนี่ยจะปล่อยผ่านไม่มีอ่ะวันจะต้องประพฤติกรรมอันลามกแน่นอนวอนผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามคนโลกโลกเนี่ยชอบนึกว่าได้กําไรนะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามนะทุกวันนี้นะชอบนึกว่าโอ้ยงี้ได้กําไรยิร่งโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะโอหถ้าผู้หญิงมาให้ท่าหรืออยู่ยสต่อสองแล้วใช่ไหม ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกแหน่ได้เปรียบได้เปรียบนึกว่าฉลาดแต่ความจริงแล้วนี่เนี่ยนะโง่ไม่ฉลาดอะไรหรอกความจริงแล้วเนี่ยเป็นการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมตําแล้วก็เป็นอิทธิภาวะนี่มากขึ้นยิ่งบอกแล้วยิ่งโดยเฉพาะไปผิดผัวผิดเมียเขาอ่ะเออซึ่งเราก็ใช้คําว่าไปเป็นชู้เลย จริงๆแม้แต่ผู้ที่ยังไม่มีสามีหรือว่าไม่มีภรรยามาก่อนแต่ถ้าถือว่ า, าพ่อมีพ่อแม่ดูแลอยู่มีพี่หรือว่ามีน้องเข า, เาดูแลกันอยู่มีเครือญาติเขาดูแลกันอยู่มีเพื่อนฝูงเขาดูแลกันอยู่แล้วไปประพฤติผิดนะกับกับหญิงนั้นอา้าวผู้ชายสมมติ ผู้ชายไ ป, ไปไปพืดผิดกับหญิงนั้นอันนี้ยังถือว่าผิดศีลข้อสามเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นชู้นี่จะต้องหมายถึงแค่ต้องไปแต่งงานกันแล้วแม้ไม่ได้แต่งมาฮะแต่ยังไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ได้ตกลงกันให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลักลอบทุกวันนี้ลักลอบกันมาก นะคือคืออันนี้บอกแล้วว่ามันมันสังคมทุกวันนี้มันมาจากทางฝรั่งทางอะไรพวกนี้มันมากยริงอันนี้ไทยเราก็มีทุกประเทศอ่ะคิดว่ามีทั้งนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยจะโดนลงโทษหนักใช่ไหมโอ้โหบางทีเอาไปถ่วงน้ําหรือเอาไปอะไรต่ออะไรเลยนะก็เล่นกันหนักเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมันเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ง แทบจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจงเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรละมาเรียนมาเรียนหนังสืออยู่ก็มาทดลองอยู่ด้วยกันเขาถือว่าแบบมาทดลองอยู่ด้วยกันคือจริงๆก็มาเป็นแบบสามีภรรยาเลยแต่เขาบอกว่าแบบว่ามาทดลองอยู่ด้วยกันทดลองดูว่าจะอยู่กันได้ไหม <c oughs> โอ้ว่นจริงๆแล้วมันเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้าง ถ้าลองบอกว่าทดลองว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยอาตมาบอกด้วยเลยเรื่องของกามมาราคะเนี่ยนะมันไม่มีอิ่มไม่มีพอการอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนกับคนกินอาหารเนี่ยคุณอยากกินอาหารอร่อยเนี่ยคุณอยากกินแค่จานเดียวเหรอคุณอยากจะกินแค่อย่างเดียวเหรอเพราะเดี๋ยวคุณก็เอ้ยไอ้นู่ก็อร่อยนะไอ้นี่ก็อร่อยนะมันก็อยากจะกินหลายๆอย่างหลายๆลายจานพรหมพเจ้าถรณายถาดว่าไม่มีอิ่มไม่มีพอไอ้เรื่องพวกนี้ วันการที่ยิ่งมาทดลองอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยิ่งได้เสพกามยิ่งได้เสพเนี่ยโธ่เอ้ยวันทุกวันนี้มันถึงวิจารณ์กันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยจริงๆบา้บาๆบอๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยกามมาวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเนี่ยปล่อยอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพรานี่หยุดยั้งแทบไม่อยู่อะ่ะเพราะว่าสังคมมันมั น, ม, นมันไปไกลแล้วในเรื่องพวกนี้วันพวกที่ถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกระเต่า หลายๆล้านปีในในสายตาของคนทั่วไปมองเนี่ยเหมือนเต่าหลายหลายล้านปีเลยเพราะฉะนั้นเขาเขาจะรู้สึกว่าพวกคุณนี่โอ้โงมโงงมากเลยงมงโกงมากเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีน <c> ะ <oughs> <c oughs> จะเป็นเต่าหลายล้านปีก็ตามเนะี่ยจงภูมิใจว่าเอออย่างนี้แหละนะเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมมันเสื่อมน้อยลงเสื่อมช้าลง นะแล้วก็ทําให้ไอเรื่องของชู้สาวเรื่องของอะไรพวกนี้มันไม่ระบาดยิ่งไปกว่านี้เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ให้สภาพอย่างเนี้ยมันมันยิ่งระบาดหนักนะเราจะพยายามเราช่วยคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถระงับยังย่งตัวเราเองไม่ให้ไปเที่ยวไปบีชู้อย่างใครต่อใครเขาหลายๆคนที่เขาเป็นกันอันนี้มีมากจริงๆนะามาเชื่อว่าพูดไปอย่างเนี้ยคนจะ โดนใครบ้างละ่ะไม่ต้องคนที่อื่นละ่ะคนที่ในนี่เนี่ยมันต้องมีโดนบ้างแหละเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่แต่อย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียใจเมื่อเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรที่แล้วไปแล้วยิงมันเป็นบิบากไปแล้วละ่ะมันมันสะสมไปแล้วแต่ที่แล้วไปแล้วเราถือว่าจบนะติดหนี้ไปแล้วก็ติดหนี้ไปแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น พอเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้พยายามพูดง่ายสะสมอริยทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นอะไรพลาดไปแล้ว ป, ปิดกั้นมันไปซะโ ย, ยนทิ้งมันไปซะนะปัจจุบันนี้สะสมทรัพย์อันเป็นบุญเนี่ยทรัพนยะ์ที่เป็นบุญเนี่ยนะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่เวลาที่หนี้เราเนี่ยมันมาทวงเราะมันมาเล่นงานเรา แล้วพอจะมีอริยทรัพย์หรือบุญกุศลที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะเอามาช่วยบรรเทาได้อัตมายกตัวอย่างบ่อยๆว่าเหมือนกับเราไปทําบาปไว้เนี่ยเราติดหนี้สมมติเราติดหนี้ไว้ห้าสิบาทสมมติไปทําบาปไว้เนี่ยห้าสิบบาทใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ทุกวันเนี่ยเรารู้แล้วว่าโหเราไม่ควรทําเลยไปทําแล้วก็ไปเป็นหนี้สินเข้าอย่างนี้เพราะปัจจุบันนี้เราเลยขยันทํางาน ทำความดีเนี่ยนะก็ได้ทรัพย์หมาก็เก็บได้ทรัพย์หมาก็เก็บซึ่งการขยาทำดีนี่ก็คือเป็นบุญนั่นเองเอามาเก็บเอามาเก็บมาเก็บสมมติว่าคุณทำได้แค่วันละบาทวันละบาทเดียวเนี่ยคุณก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทาไปเรื่อยนะจนถึงห้าิวันจนถึงร้อยวันจนถึงพันวันขคุณก็จะได้ห0บบาทได้ร้อยบาทได้พันบาท คราวนี้พอเวลาเราสะสมไว้ได้มากเข้ามากเข้าบุญเหล่าเนี้นะถึอว่าเราได้เป็นพันบาทแล้ววันเวลานี่เจ้าหนี้เข้ามาทวงเราเราเคยติดไว้ห้าสิบอย่างงี้โทรเข้ามาทวงเราแหมแค่ห้าสิบเองเขาทวงเต็มอ่ะเขาไม่มีมาทวงแค่บาทเดียวก็ไม่ทวงเราเขาก็ทวงที่เขาติดไอ้ที่เราติดเขาทั้งหมดอนะ่ะห้าสิบาทเขาทวงห้าสิบาทว่าเราก็ใช้ไปสิเรามีเป็นพันแล้วคราวนี้เราใช้แค่ห้าสิบาทเนี่ย สบายมากไม่ทุกร้อนอะไรสักเทาไหร่ซึ่งอันนี้ถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้จะอย่าไปเข้าใจผิดว่าอะไรนะถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยบอกว่าบรรเทาบาปได้เนี่ยหมายถึงว่าเราติดเขาอยู่เท่านั้นเท่านี้บรรเทาก็คือว่าเราก็เอาไปหักออกไม่ใช่นะคุณไปทำเวรกรรมอะไรไว้เนี่ยเขามาทวงคุณเขาก็ทวงเต็มเท่าที่คุณทำกับเขาอ่ะเขาไม่ยั้งหรอก เขาได้เท่าไหร่ก็ เ, เอาเท่านั้นน่ะตามที่เราไปทํากับเขาเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าไอ้ที่บรรเทาบาปกรรมของเราได้เนี่ยเพราะเราทําดีให้มันมากขึ้นมากจนเวลาเขามาทวงแล้วเนี่ยเราเจ็บน้อยหน่อยที่เจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าเราฝึกฝนตัวเราเองจนเรามีบุญกุศลได้ได้เยอะละเพราะเราก็เลยไม่ไปทุกข์ตามที่เวลาเขามาเล่นงานเราคืนอันเนี้ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อ ทำไมจะต้องทำดีหรือว่าทำบุญกุศลไว้เพราะอย่างนี้อย่างนี้แล้วการบรรเทาบาปออกคืออย่างนี้นี่เองนะอันนี้ก็เหมือนกันนะสำหรับข้อที่ยี่สบนะอันนี้บอกว่าอะไรนะแม่น้ำทั้งปวงทางไปอันคดเคี้ยวเนี่ยแม่น้ำคดเคี้ยวอะไรนะป่าก็รถเลี้ยวเนี่ยแต่ว่าฉันใดใช้คำว่าฉันใด พูดง่ายว่าผู้หญิงนี่อะไรนะใจนานเมื่อดังทางรถอะไรอ่ะเคี่ยวคดอะไรนะเพลงอ่ะเพลงอ่ะเคยจะยินไหมเออใจนานเมื่อดังทางรถเคี่ยวคดเหมือนอะไรไม่รู้จาไม่ได้มันขึ้นมาเองเนีออ่นานแล้วเหมือนกันเพลงเก่าแล้วไม่รู้เพลงของใครแล้วไม่คงไปอกหาอกอกพังมากเสร็จแล้วก็เลยมาแต่งเพลงอะไรพวกนี้ร้อง ก็ก็เท่ากับว่าอิทธิภาวะเนี่ยว่าว่าจิตใจมันกับกรอกมันเลรวนมันแปรปวนได้ง่ายนะมันมันมันไม่มั่นคงนะพูดง่ายว่าหลอกลวงหรือว่าอะไรพวกนี้เก่งเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพราะนั้น no ถ้ามีที่รับให้แล้วรับรองเลยว่าแสดงผลออกมาแน่นอนคือกระทําแน่ นั้นข้อที่ย0สส่วนข้อที่ย1สบไม่ได้คนอื่นคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะได้ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นได้ไม่สามารถจะได้คนอื่นตอนนี้แม้กับคนเปรี้ยคนเปรี้ยนนี่คือคนพิการนั่นเองแม้กับคนเปรี้ยในจำพวกนารีที่หลายใจอ๋อแหม <laughs> คือตะกี้จะอ่านเลยไปคือพูดเอางง่ายว่าคือพอไม่ได้ใครเนี่ยคือหาใครที่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้อะคราวนี้แม้แต่กับคนพิการเนี่ยก็ยังจะยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเป็นเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่หลายใจนะอันนี้พูดเอางง่ายอย่างนี้อันเนี้คือข้อที่ยี่สิบเอ็ดส่วนข้อที่ยี่สิบสองไม่มีใครคมขี่ได้คือคือพูดง่ายสามีก็ตามหรือใครเนี่ยจะมา เน่ยอย่างงั้นอย่างนี้คมขีนี่คือไงอะ่ะมาบังคับอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยบังคับผู้หญิงอะ่ะหรือบังคับอิทธิภาวะพวกเนี้ยบังคับไม่ได้คือคนอื่นเนี่ยจะมาบังคับเราอะ่ะถ้าเรามีนิสัยแบบนี้เนี่ยบังคับเรายากข้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะบังคับอิทธิภาวะนี่ต้องอยังไงต้องใจเราเองแล้วใช้อะไรบังคับอะ่ะเ อ, อใช้ปุริสภาวะ ข่มลงไปให้ได้บังคับอิทธิภาวะลงไปให้ได้เพราะนั้นใครอื่นจะมาบังคับเนี่ยเพ้อเอนะยิ่งมาบังคับเราเป็นไงคนอื่นอ่ะโอ้ยิ่งไม่ยอมอยเลยยิ่งอิทธิภาวะยิ่งขึ้นเยอเลยนะจะยิ่งถ้ายิ่งโกรธก็ยิ่งโกรธหนักขึ้นกว่าเดิมยิ่งอาฆาตยิ่งพยาบาทถ้ายิ่งรักถ้ายิ่งยิ่งมาในทางราคนะก็จะยิ่งหลงหนักขึ้นไปกว่าเดิมยิ่งหลงหนักเลย ถ้าเป็นอัตามาณนะเข้ามานะใครจะยิ่งมาอะไรอะ่ะยิ่งจะมาเอาชนะเรายิ่งจะมาเหนือเราอย่างนี้โหยิ่งไม่ยอมนะยิ่งจะต้องเอาชนะกลับเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยจะมาจัดการอิทธิภาวะเราเนี่ยยากเพราะเราต้องเป็นคนที่จัดการอิทธิภาวะของเราเองนะถึงจะสําเร็จเพราะนั้นใครที่ใจอ่อนจะล้างอิทธิภาวะไม่ได้ ความใจแข็งเนี่ยความใจเด็ดเดี่ยวเป็นปุริสภาวะเพราะต้องจะต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเนี่ยมาล้างมาล้างมาสู้มาฝืนกับไอ้ความใจอ่อนของเราเนี่ยให้ได้ให้ชนะให้ได้คนนั้นถึงจะมีความเป็น <c oughs> เป็นแมน <c oughs> เป็นแมนขึ้นมาได้ถึงจะเป็นอย่างนั้น อ, อ่านั่นข้อที่ยี่สิบเอ็ดอ่าข้อที่ยี่สิบสองอ2ยี่สิบสองแล้วสิล่ะกี้ น, นี้ข้อสุดท้ายข้อที่ยีสามเป็นผู้กระทาให้เกิดความยั่วยวนแก่ชายทั้งหลายหากนารีพวกใดถึงจะทำให้เกิดปิติดได้โดยประการทั้งปวงก็ดีก็ไม่ควรละเริงด้วยเพราะว่านารีเหล่านั้นเสมอด้วยท่าน้ำนเคยบอกไปแล้วที่บอกว่าเหมือนกับท่าน้ำเหมือนกับแม่น้ำเหมือนกับสายน้า ก็ชอบเอาไปเปรียบอันนี้เรื่อยอยู่นะเปรียบกับแม่น้ําเปรียบเปรียบกับอะไรน้ำน้ำรู้ไหมทำไมเปรียบกับน้ําน้ำพวกนี้อันนั้นคือสภาพไหลคือสภาพโคดเคี้ยวคือสภาพอะไรแต่อย่างหนึ่งเนี่ยอที่เขามักจะเปรียบกับทะเลเปรียบมหาสมุทรเปรียบอะไรที่เป็นสายน้ําพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็เปรียบเรื่องของกามเรื่องของกามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับท่าน้ําเปรียบเหมือนอะไรเนี่ยก็คือว่า